<c oughs> อาลัมตัตแตเนี้ก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นการเจริญสติด้วยลมหายใจเรียกอนาปานาสติ เมื่อเข้ามาถึงนั่งก็ประคองจิตให้มันรู้สึกด้วยกำลังของสติและอุเบกขาที่ได้มาจากการเดินจงกรมประคองอย่างสำรวมเราต้องรู้ในสภาวะที่ชื่อว่าประคองอย่างสำรวม ถ้าเรากำลังวิ่งกำลังสนุกสนานวัวเราะรื่นเรืองอยู่พอเราได้ยินคำว่าประคองอย่างสารวมเราทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเดินจงกรมมาหมาดหมาดพอได้ยินว่าเอาประคองอย่างสำรวมเราก็สามารถเข้าถูกสภาวะนั้นได้ทันทีเพราะองค์ของสมาธิก็ดี ตัวอุเบกขาก็ดีตัวองค์แห่งสมาธิก็ดียังคงอยู่โดยเฉพาะตัวอุเบกขายังอยู่พอพูดว่าประคองอย่างทํารวมทุกอย่างมันก็จะปรากฏข้ามาแต่ว่าก็ยังคงเป็นไปตามกำลังของสัญญาอยู่ ปเป็นสัญญาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงต่อจากนั้นให้พวกเรานั่งสมาธิหลักการก็คือว่าจะมีอยู่สามประการคือนั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงนี่ประการแรกคือนั่งคู่บาลัง นั่งคูบันลังนี่ทหรับท่านที่นั่งไม่ได้คือนั่งนั่งกับพื้นไม่ได้นั่งนั่งขัดสมาธไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้เนี่ยก็ให้นั่งเก้าอี้อนุโลมให้ว่าการนั่งเก้าอี้ถือเป็นการนั่งคูบันลังเหมือนกันเวลานั่งเก้าอี้แล้วก็วางเท้าให้ดีวางเท้าให้แนบกับพื้นวางทิ้งมือสองข้าง วางทิ้งเอามือซ้ายวางไว้ที่ตักมือขวาวางซ้อนหรือมือซ้ายวางไว้ที่เข่าซ้ายมือขวาวางไว้ที่เข่าขวาสุดแท้แต่ถนัดแต่ต้องเข้าใจว่ามันคือการวางทิ้งวางแล้วไม่เป็นภาระแห่งกายตัวนี้เรียกว่านั่งคูบันลังจากนั้นก็ตั้งกายให้ตรง คำว่าตั้งกายให้ตรงกระดูกข้อต่อสหลังทั้งหมดทุกสั้นรวมไปทุกข้อรวมไปจนถึงกระดูกข้อต่อช่วงคอถึงกระโหลกศีรษะตั้งตรงทำความรู้สึกให้ผ่อนคลายเหมือนกับกำหนดให้มันรู้สึกยิ้มนิดๆที่ใบหน้า ยิ้มนิดนิดที่ใบหน้ามันก็เหมือนการผ่อนคลายขึ้นมาอันนี้เรียกว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือเตรียมพร้อมอยู่ที่กายที่ใจนี้ไม่ไปไหนโดยวิธีง่ายๆก็คือไปรู้สึกที่ใบหน้าไม่ต้องไปพิจารณาลึก แค่ให้มันรู้สึกที่ใบหน้าเฉยๆเยมื่อพร้อมแล้วอย่างนี้เราก็ทำก็เรียกอนาปานาสัญญาคือลมเข้าลมออกที่เรารู้อยู่แล้วว่าก็เข้าออกทางช่องจมูกเข้าก็เข้าทางช่องจมูกออกก็ออกทางช่องจมูก สิ่งที่เราจะต้องทําโดยไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนก็ต้องทําความรู้จักลักษณะของสภาพธรรมสามประการนั่นคือนิมิตอย่างหนึ่งลมหายใจออกอย่างหนึ่งลมหายใจเข้าอย่างหนึ่งต้องรู้จักสามประการนี้นิมิตก็คือที่ตั้ง ของสติที่ตั้งของจิตที่ไปรู้ลมหายใจว่าเราจะรู้ลมหายใจตรงไหนตรงนั้นแต่เรียกว่านิมิตอันนี้บางคนเนี่ยมันจะต้องรู้ตรงปลายจมูกหรือบางคนก็รู้ที่เหนือริมฝีปากบนก็ขึ้นอยู่กับบางคนว่ารู้ตรงไหนได้คําว่ารู้ตรงไหนได้นี่หมายความว่ารู้การกระทบของลมหายใจกับกาย รู้การกระทบตรงนั้นได้ชัดเราก็อยู่ตรงนั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นที่ช่องจมูกนี่แหละก็คอยสังเกตดูว่าเราจะรู้ตรงไหนชัดที่ลมกระทบเมื่อรู้เรื่องสามเรื่องนี้ได้แล้วว่านิมิตคือว่าจุดที่เราคอยรู้ลมหายใจอยู่ตรงไห น, นเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดหายใจเข้าออกดูก่อน จนรู้ลมทั้งสามต้งลมทั้งสองแบบคือลมเข้าลมออกจากนั้นก็หายใจออกให้สุดแล้วหายใจเข้าทำจิตข้ารู้อยู่ที่ตั้งของลมหายใจนะรู้ลมหายใจไล้ออกต้นลมกลางลมปลายลม จนทุดลมหายใจที่ไหลออกกลั้นไว้จนรู้สึกว่าลมหายใจเข้าจะเข้าเป็นธรรมชาติเข้าไปคือร่างกายมันอยากจะหายใจเข้าของมันเองเราหายใจออกรู้ลมหายใจไหลออกแล้วหยุดไว้จนร่างกายมันต้องการลมหายใจเข้าของมันเองแล้วปล่อยลมหายใจเข้าไป ในขณะนั้นจิตรู้ลมหายใจเข้าลมนั้นเป็นจิตแรกลําดับต่อจากรู้ลมหายใจไหลออกจากนั้นก็รู้ลมหายใจออกแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าความรู้ลมหายใจอย่างนี้ด้วยการทําลมหายใจยาวๆนะอาศัยการกําหนดนะ การกำหนดทํำลมหายใจยาวให้ยาวมากๆ ก, ก็ได้แต่ไม่อึดอัดแต่ก็เฝ้ารู้ลมหายใจที่เข้าออกยาวๆนั้นทั้งทั้งเข้าทั้งออก <c oughs> ทําชีวิตทั้งชีวิตตอนนี้มันไม่มีอะไรอื่นนะ มันมีอยู่ที่แค่สติที่ความรู้อยู่ตรงนิมิตคือที่ตั้งที่ตั้งของจิตรู้จุดที่ลมหายใจมากระทบที่เรารู้สึกได้กับวายุธาตุคือลมหายใจที่ก็เคลื่อนออกยาวที่ก็เคลื่อนเข้ายาว สติระลึกตรงเข้าไปสู่ลมหายใจนั่นแล้วก็มีความรู้คลออยู่กับลมหายใจที่เคลื่อนออกต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจให้ลมหายใจที่เคลื่อนเข้าจิตรู้ก็คลออยู่กับลมหายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจ ต้องปลดปล่อยสัญญาทั้งปวงไม่ว่าเราเคยรู้อะไรมาไม่ว่าเราเคยทำอะไรมาไม่ว่าความรู้สึกเรามันจะมันจะไปไหนต้องปลอกล่าที่จะปลดปล่อยออกไปให้มันคงเหลือแค่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวกำหนดลมยาว ลมออกยาวกําหนดลมเข้ายาวจิตก็รู้ลมนั้นทําหน้าที่ทําหน้าที่รู้โดยไม่วิ่งตามนะข้อปฏิบัติที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสัน้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสัาน้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรากําหนดแบบนั้นส่วนว่าในทางปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติกันแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเสริมเทคนิคต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติและท่านมีเทคนิคในการทําที่จะให้สติมันแน่วแน่มีสมาธิที่มั่นคงกับการรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า อันนี้ก็เรียกว่าเสริมกันเข้าไปแต่โดยที่สุดแล้วมันก็คือให้มีสติหายใจออกให้มีสติหายใจเข้าในช่วงต้นนี้มันก็อาศัยการกาหนดรู้แต่เรามีสติและอุเบกขาที่ได้มาจากการเดินจงกรมประคองอยู่มีองค์สมาธิคือวิตกวิจาร และสมาธิพร้อมทั้งอุเบกขาที่ปรากฏอยู่เพราะนันให้จิตรู้ตรงกาไปสู่ลมหายใจนั้นด้วยกำลังขององค์แห่งสมาธิที่มีอยู่ค่อยๆรู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ลมเริ่มเคลื่อนออกต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกอย่างนี้ ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดว่าขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรเราแค่รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเท่านั้นกิจที่จะต้องทำในขณะนี้เชื่อเฉพาะหน้าปรากฏอยู่ไม่ต้องไปกังวลแม้กระทั่งว่าลมหายใจออกออกไปแล้วจะไปไหนลมหายใจเข้าเข้าไปแล้วมันจะไปไหน ตัดความกังวลตรงนั้นออกทั้งหมดอดีตก็ตัดออกไปอนาคตก็ตัดออกไปมันคงเหลือแค่ปัจจุบันที่ลมมากระทบแล้วก็รู้ลมกระทบก็รู้ลมที่ลมไหลออกมากระทบต้นลมกลางลมปลายลมรู้คลอไปจนสุดลมหายใจลมหายใจเข้ากระทบต้นลมกลางลมปลายลมก็รู้คลอไปจนสุดลมหายใจไม่มีอดีตไม่มีอนาคต จากนั้นผ่อนจิตรู้นะแต่ตรงข้าวดูนั่นให้แข็งแรงหมายความว่าตรงนิมิตเนี่ยให้มั่นให้แข็งแรงตรงนิมิตจิตที่รู้กาหนดลมหายใจนั่นค่อยๆผ่อนออกผ่อนออกให้มันเหลือแค่รู้คลออยู่เบาๆแต่ยังคงทำลมให้ยาวอยู่ แรงของการกำหนดเจตนานั้นคงใช้แค่กรรมทําให้ลมมันยาวมีเจตนาเข้าไปกําหนดทําให้ลมมันยาวแต่ตัวที่รู้เข้าไปคลออยู่กับลมหายใจนั้นให้มันเบาให้มันเห็นธรรมชาติทั้งสองฝั่ง คือธรรมชาติของรู้อย่างหนึ่งธรรมชาติของลมหายใจอย่างหนึ่งลมหายใจไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ลมหายใจรู้ไม่ได้อยู่ในลมหายใจลมหายใจไม่ได้อยู่ในรู้ต่างที่เป็นต่างก็เป็นธรรมชาติที่อิสระกันและกันเอารู้ที่มีอยู่มากมายนี้เข้าไปแตะเพื่อแกะเพื่อรู้ลมหายใจแบบเบา รู้ยังมันตั้งมันอยู่ตรงนิมิตคือที่ตั้งของลมหายใจทำอยู่อย่างนี้ เพิ่มกำลังในการน้อมจิตเพิ่มกําลังในการน้อมจิตเข้าไปเพื่อหาลมหายใจให้ไปรู้ลมหายใจอย่าไปสงสัยสนใจว่าอันนั้นคือเจตนาหรือไม่อย่าเพิ่งน้อมจิตก็ไปให้มีกําลังในการน้อมเข้าไปกําลังในการน้อมก็ไปเพื่อรู้ลมหายใจแต่เมื่อรู้ลมหายใจนั้นเบาๆกําลังน้อมนั้นให้มีกําลังมาก ให้มันกระสับน้อมเพิ่มให้มันกระสับกระสายถ้ามันไปรู้ไปเห็นไปนึกไปคิดไปน่วงเรื่องอื่นๆใดๆก็ไม่ต้องไปกังวลแต่อย่าปล่อยให้มันไหลออกไปก็น้อมใช้การน้อมตัดมันออกไปน้อมเพื่อการเข้าสู่การรู้การดู ถ้จิตมันรู้แค่ลมหายใจก็ให้มันรู้ไปถ้าจิตที่รู้มันกว้างถ้าจิตรู้มันกว้างมันรู้ลมหายใจด้วยแล้วมันไปรู้กายในส่วนที่เป็นใบหน้าส่วนที่เป็นลําตัวส่วนที่เป็นอิเดียบ ท, ที่นั่งคือมันรู้กายทั้งกายไปด้วยพร้อมกับลมหายใจตรงนั้นด้วยก็ให้มันรู้ไปก็รู้แค่ลมหายใจก็ให้ก็รู้ไป ก็รู้ไปกายทั้งกายด้วยลมาหายใจด้วยก็ให้ก็รู้ไป เกิดสภาวะที่จิตมันเกิดหยุดนิ่งนิ่งก็หมายความว่าไม่มีลมหายใจเคลื่อนเว้นระยะนานๆจนรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันหยุดการเคลื่อนไหวในระหว่างนั้นในสภาวะแรกที่มันเกิดจิตอาจจะเบล์เบลและก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็จะไปกำหนดลมหายใจเราก็ให้ยกจิตเข้าไปสู่ที่ฐานที่เป็นดิมิตก่อน อย่าใจร้อนใจเร็วจะใจร้อนใจเร็วก็รีบไปหาลมหายใจโดยไม่ได้ใส่ใจนิมิตคือฐานที่ตั้งของจิตสำหรับรู้ลมหายใจจิตก็พอภาวะที่ลมหายใจหยุดจิตก็นิ่งแบบเบอร์เบอร์สติมันจะอ่อนเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่ แต่การที่เรารู้ลมหายใจเบาๆแรงโน้มเข้าไปสู่ลมหายใจมันเยอะแต่จิตที่ไปรู้ลมนั้นอ่ะมันเบามันก็ทำให้ลมหายใจเมื่อลมหายใจหยุดจิตจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันหยุดตามธรรมชาติของมันในจังหวะนั้น <c oughs> มันก็จะเป็นเจตนาเพื่อที่จะลุกลี้ลุกลนวิ่งไปหาลมหายใจ แต่อย่างนั้นเราไม่ต้องรีบร้อนให้รู้เป็นความรู้วหว้เราก็เข้าไปสู่ฐานอันเป็นนิมิตที่ตั้งของจิตสำหรับที่ไปรู้ลมหายใจ มันมีการเคลื่อนไหวมีการกระเพื่อมไม่ว่าจะเป็นที่เท้าไม่ว่าจะเป็นที่ขาไม่ว่าจะเป็นที่เรานั่งที่น้ำหนักมันกดทับให้แรงกระเพื่อมเรานั่นทั้งบทตะคือเวทนา ต่จังหวะที่ลมหายใจมันมาเราก็รู้จังหวะลมหายใจมันหยุดเราก็ไปใส่ใจลมกระแรงลมกระเพื่อมือแค่รู้เหมือนกันอะไรที่เป็นกายที่อยู่ในกายนี้มีการกระเพื่อมมีการเคลื่อนไหวแต่เรารู้ได้เห็นได้เราก็รู้ไปแต่เมื่อลมหายใจมาเราก็รู้ลมหายใจ แต่การป้องกันการทำไม่ให้จิตมันวอกแวกก็ยังคงทำเป็นลมยาวตามปกติไปก่อนเมื่อรู้ชัดว่ามันไม่ว อ, อกแวกแล้วก็ปรับลมยาวให้เป็นลมปกติก็เรียกว่าลมสั้นลมสั้นกว่าลมยาว เป็นลมปกติยันนี่ก็ปรับภายในคือการน้อมใจเข้าไปสู่ลมปกติสู่รายละเอียดของลมหายใจควาดูตรงที่กระทบในลมปกติน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปน้อมเข้าไป ถ้าจิตมันรู้อยู่ที่มันไม่วอกแวกใดๆมีแค่ลมหายใจลมหายใจออกมันก็รู้ลมหายใจเข้ามันก็รู้ลมหายใจหยุดมันก็รู้ถ้าอย่างนี้จิตก็จะสยบนิวรนาจิตก็จะสยบนิวรนาได้ ความสงบก็จะปรากฏสภาวะของการปฏิบัติก็แก่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้และรู้ก็จะกระจายออกไปอย่างเบาๆชัดเบาแต่ว่าชัดกระจายออกไปทั่วทั้งกายความมีสติความมีสมาธิ มันก็อยู่ที่ความรวดเร็วความชัดความคมของจิตที่จะรู้กายทั้งกายได้รู้ลมหายใจได้อันนี้แสดงว่ารู้เขาก็เริ่มแยกออกมารู้ก็เริ่มแยกออกมาทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จิตก็เฝ้านิ่งอยู่ตรงที่ตั้งของจิตแล้วก็รู้ชัดอยู่ตรงนั้นแม่ลมหายใจก็จะไม่มาลมหายใจเคลื่อนออกก็หยุดลมหายใจเคลื่อนเข้าก็ยังไม่มีแต่จิตที่รู้ก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่กระสับกระสายไปที่ไหนเฝ้ารู้อยู่ตรงฐานที่ตั้งของจิตตรงนี้ อาจจะเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลังเลเกิดความสงสัยอก็ให้รู้ว่าถ้ามันเกิดความสงสัยขึ้นมานั่นเป็นนิวรนนะให้รู้ว่ามันเป็นนิวรนปรากฏพอความสงสัยนะั้นมันหายไปดับไป ลมหายใจมาก็ารู้ลมหายใจมีลมหายใจบางคู่ที่จิตไม่ได้ไปกำหนดเลยก็ให้รู้สภาวะนั้นมันจะค่อยๆปรากฏสลับกับการกำหนดนะบางลมมันเรากำหนดบางลมเราไม่ได้กำหนด ไอ้ลมใดที่เราไม่ได้กำหนดแต่เราเห็นว่ามีลมหายใจออกมีลมหายใจเข้าเกิดขึ้นเองมันจะมีบางคู่ที่เราเห็นลมหายใจเกิดขึ้นเองอันนั้นเรียกว่าสภาวะที่จิตมันแยกออกมาจากลมหายใจแต่พอหลังจากนั้นคู่แรกๆคู่ส่วนมากจะเป็นลมที่เรากำหนด กำหนดบางคู่เราไม่ได้กำหนดแต่เราเห็นเองมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามี <c oughs> สติอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตคืออยู่ที่กาย <c oughs> ตรงนั้นจะมีอุเบกขาอยู่ด้วยในสติปรากฏ เมื่อลมมันมาจิตไปรู้ลมนั้นเรียกว่ากายปรากฏไอตัวกายไม่ใช่สติคือหมายความว่าไอตัวลมที่มานะั้นมันไม่ใช่สติสติอยู่ที่อุเบกขาเขาเรียกว่าสติเป็นตัวสติด้วยมันปรากฏขึ้นด้วยตัวสติก็หมายความว่าตัวสติเดิมนั้นด้วย เป็นตัวสติที่ปรากฏขึ้นด้วยอยู่กับอุเบกขานั่นไม่ได้มีอะไรไปเกี่ยวข้องกับลมหายใจสติจึงไม่ใช่กายกายจึงไม่ใช่สติเรียกว่าสติจึงไม่ใช่ลมลมจึงไม่ใช่สติอุเบกขาจึงไม่ใช่ลมอุเบกขาจึงไม่ลมมันยงไม่ใช่อุเบกขาตงแยกกันออกมา ก็คอยสังเกตสภาวะลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่มันเกิดขึ้นเองของร่างกายโดยที่เราไม่ได้ไปกำหนดแต่สติยังมีอยู่รู้อยู่ตรงฐานที่ตั้งแลวเราเห็นลมนั้นก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจอะไรก็เพียงแค่รู้ให้ได้ว่านั่นคือสภาวะที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงในชีวิตจริงของเรา ลมหายใจก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่ได้ดูเราไม่รู้ครั้นเราจะไปรู้เราก็ไปกําหนดแล้วเอาจิตเอาสติไปอยู่กับลมหายใจโดยความเข้าใจว่าสติลมหายใจคือเราเราคือลมหายใจแต่พอไม่ได้ไปกําหนดมันก็ไม่รู้ลมหายใจร่างกายนี้ก็หายใจออกหายใจเข้าของเขาอยู่แล้วแต่พอเรามาทําอานาปานาสติตอนนี้จนจิต สติมันไปตั้งมั่นอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตมีกําลังมากพอมันจึงไปเห็นลมหายใจบางคู่ที่เราไม่ได้ไปกําหนดลมไม่ได้ไปกําหนดมันเลยว่าหายใจออกหายใจเข้าแต่เราเห็นว่าลมหายใจมันเคลื่อนออกลมหายใจมันเคลื่อนเข้าเองสภาวะนี้น่ะมันเป็นสภาวะเดิมแต่ตอนนี้เรามารู้มาเห็นด้วยสติและอุเบกขาสมาธิ มันมีบางคู่ของ ล, งงหหอลมหายใจบางครั้งเราเห็นลมหายใจไหลออกแต่พอลมหายใจไหลเข้าเรากำหนดบางครั้งเราเห็นลมหายใจไหลเข้าแต่พอลมหายใจไหลออกเรากาหนดบางครั้งเราเห็นลมหายใจไหลออกเราเห็นลมหายใจไหลเข้าคู่หนึ่งพอเราเห็นแล้วพอรูปคู่ต่อมานั่นเรากลายเป็นเราไปกำหนดคือความมั่นคงความมั่นคงของสติของอุเบกขาที่มีต่อฐานที่ตั้งของจิตรู้เรายังไม่พอ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆดัง <c oughs> นั้นการบ้านการบ้านที่จะฝากท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะต้องไปสารต่อตรงนี้ฝากไปฝึกบ่อยๆตรงนี้ให้จิตมันสามารถที่จะเห็นลมหายใจอันเป็นธรรมชาติ เ, เป็นส่วนมาก อย่างไอ้ด้วยสติและอุเบกขาเนะีเหมือนอย่างที่กล่าวการภาวนาของเราก็จะรุกหน้าเราจะอามารถตอบคำถามให้กับตัวของเราเองได้อย่างสบายไม่ต้องไปถามใครในสภาวะที่เราที่มันเกิดแล้วดับแล้วที่มันปรากฏอยู่ในขณะแห่งการภาวนาของเรา ต่อไปนี้ขอทุกท่านขนยับปลายนิ้วมือฝาแล้วก็ยกมือฝาขึ้นช้าชาวางมือฝาไ ว, ไว้ที่เข่าข้างฝาขยับปลายนิ้วมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นวางมือซ้ายไว้ที่เข่าข้างซ้ายสําหรับท่านผู้ที่กําลังปฏิบัติอยู่ยังไม่อยากออกจากสมาธิ ก็ไม่ต้องทำตรงนี้นะนั่งต่อไปได้ไอ้นั่งต่อไปได้ไไดสำหรับผู้ที่จะออกตอนนี้ก็กำหนดจิตอยู่ที่เฉพาะหน้าของตนเองผ่าหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิการปฏิบัติธรรมครั้งที่เจ็ดสิเอเรียกว่าอาณาปานสติครั้งที่เจ็ดสิ เ, เาอาาาา็ ก็เป็นนั้นว่ า, าก็สิมจบลงในวันนี้เวลาสิเว็นาฬิกาสบห้านาทาีก็มีเรื่องราวที่ผู้ปฏิบัติจะต้องนำไปฝึกผลต่อมันไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งถ้าครั้งหนึ่งมันก็ได้แค่นี้ถ้ามันมีทุกวันทุกวันนะค่อยว่ากัน ไอ้ทุกวันทุกวันนี่พวกเราจะต้องนําไปปฏิบัติกันเองมันจะได้รอให้ต่มามานี่เดือนหนึงก็ได้แ ค, ค่ครั้งเดียวในครั้งเดียวบอเริ่มต้นมาก็ถึงตนนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยที่วันนี้พามาถึงตนนี้แล้วก็เน้นย้าแล้วย้ําอีกเพราะว่าหลายคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดความสับสน <c oughs> แต่วันนี้คิดว่าคงมีความรู้และแยกแยะออกได้ ขณะที่เรามีลมหายใจที่เราสามารถเห็นลมหายใจโดยที่เราไม่ได้ไปกาหนดเลยว่าลมหายใจออกหรือเข้าเนี่ยเราเห็นเขาเองเนี่ยไอการเห็นนั้นแหละมันเป็นสภาวะที่จิตมันแยกออกมาจากลมหายใจอย่างมีสติและอุเบกขาแต่พอเราเห็นบางทีเราเห็นลมหายใจไหลเข้าเองพอเราเห็นเรารู้ว่านี่ลมหายใจไหลเข้านี่พอลมหายใจไหลออก ก็กลายเป็นลมที่เราเข้าไปกําหนดความแข็งแรงมันไม่พอแต่ให้รู้ว่าสภาวะที่นั่นมันมีอยู่จริงที่จิตอิสระจากลมหายใจอย่างมีสติและอุเบกขาซึ่งเมื่อกรกําตรงนี้เข้าออกอย่างชํานาญแล้วเนี่ยเรียกว่ามีความชํานาญแล้วมันมีเรื่องราวที่จะต่อยอดไปได้อีกเยอะมากเรื่องของสภาวะเรื่องของ ความปราโมดความบันเทิงของจิตเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องต่างๆที่มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมชาติของจิตเพา่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ให้ตั้งใจนะใครที่ยังปฏิบัติต่อก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็หรือออกเลิกแล้วเย็นนี้จะปฏิบัติใหม่ก็ได้นะ แต่มันควรที่จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องจัดสรรเวลาให้กับตนเองมิฉนั้นสติสมาธิของเรามันมีไม่พอเพราะว่าหลังจากนี้ออกจากตรงนี้ไปเราก็เอาไปใช้หมดทั้งสติทั้งสมาธิไปใช้กับอารมณ์หยาบไปใช้กับโลกก็ใช้หมดถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมสะสมจิตถ้าไม่ฝึกฝนอบรมเนี่ยตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ย มันก็จะร่อยหรอพราร้อยรอสติสมาธิปัญญาที่เป็นธรรมะมันร่อยรอมันก็จะเหลือแต่สติที่สมาธิปัญญาที่มีกําลังอ่อนแอพอมีกําลังอ่อนแอมันก็ไปตามกระแสของอารมณ์มันเสมือนว่าเรามีสติเสมือนว่าเรามีสมาธิเสมือนว่าเรามีปัญญาแต่เราใช้ละอะไรไม่ได้เราใช้ข่มอะไรไม่ได้เราใช้ทําอะไรไม่ได้เลย แต่พอมาฝึกฝึกในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ก็นิวรณ์มันดับการมสัญญามันดับอกุศลร่มูลมันดับไอสิ่งที่จะไปปรุงคิดให้มันเกิดเป็นอกุศลมันไม่มีไม่มีเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันเออมันดีมันได้ฮะเพราะว่ากําลังของสติสมาธิมันมีกําลังขึ้นมาแต่พอเราออกจากนี้ไปสักพักหนึ่งเราเอาสติสมาธิเหล่านี้แหละไปใช้ พอไปใช้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ไหลไปตามโลกอีกแล้วพอไหลไปตามโลกอีกแล้วเฮ้ยทําไมเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราปฏิบัติไปแล้วทําไมตอนนี้มันหุดหงิดง่ายจังเลยทําไมมันอย่างนั้นจังเลยทําไมมันอย่างงี้จังเลยก็เพราะมันหมดนัดนเองมันไม่ได้ไปสะสมอบรมฝึกฝนต่อเพราะนัการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าสาต จ, จายะอนุโยคายะ คือการทำบ่อยๆการทำอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการฝึกภาวนานทะั้งการเดินทั้งการนั่งในการในชีวิตประจำวันก็ต้องหัดปรับปรับความคิดที่มีทัศนคติที่มีในชีวิตประจำวันอย่าให้มันห่างออกจากธรรมะปฏิบัติมากในชีวิตประจำวันของเราบางทีกระแสที่มากระทบสิ่งที่มากระทบมันบังคับ มันบังคับให้เราคิดไปตามสิ่งที่กระทบปรุงไปตามสิ่งที่กระทบซึ่งเราก็จะต้องฝึกฝนปรับปรับทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งที่กระทบอย่าให้มันห่างออกไปจากธรรมะมากนักอะไรที่มันกระทบแล้วมันทำให้โกรธเราก็อย่าไปโกรธกับมันมากนักให้รู้ว่ามันถ้าเราโกรธไปเมื่อใดเมื่อ น, นั้นเราจะเดินห่างออกจากธรรมะ อะไรที่มากระทบแล้วมันทําให้เราเกิดรู้สึกรักเราก็จะเป็นหลงมันมากนัเพราะว่ารู้ว่าถ้าเรารักแล้วหลงมันมากนักนั่นมันั่นมันทําให้เราเดินห่างออกจากธรรมะอะไรกระทบมาแล้วทําให้เราอยากอยากอยา ก, ยากความอยากนั้นเราก็อย่าไปอยากกับมันมากนะกเอาแค่พออยากที่พอรู้ตัวเพราะว่าถ้ามันอยากไปตามกําลังที่กระทบมันก็ทําให้เราเดิอนออกไปจากธรรมะเรียกว่า รู้จักวางปรับทัศนคติของตนต่อโลกให้ไม่เดินห่างออกไปจากธรรมะมากอันนี้ก็เป็นวิธีอัญชานฉลาดนะของผู้ปฏิบัติที่สามารถที่จะประคองประคองสติสมาธิปัญญาที่ตนฝึกฝนอบรมอยู่นั้นไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันชำรุดเสียหายไปเพราะว่า ในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะต้องเว้นเรื่องการภาวนาจังหวะมันไม่ให้อะไรไม่ให้การปฏิบัติอยู่ในรูปแบบมันไม่มีมันทําไม่ได้แต่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันมันทําได้ด้วยการประคองและปรับทัศนคติต่อโลกไม่ให้มันเดินออกไปจากธรรมะเนี่ยมันทําได้เอาละ ว, วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะให้รับพรกันนะทางบ้านเนอืม ยถาวาริวังหาปูราปาริปุเรนติสักรังเอวะเบวะอิโต้ทินนังเปตานังอุปากปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปามเบวสมิชาตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะธามณิโชติระโสยะธาสพีติโยวิวัชชนตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสะนิตยังวุธาปจายโดจตาโรธรมมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังขอเจริญพรอนนำนวยพร น, นะเอาละ